ภาวนาแบบนักสู้การภาวนาให้มีสติถ้ามันนิ่งปล่อยให้มันนิ่งไปถ้าไม่นิ่งมันคิดอยู่ไม่หยุดเอาสติกำหนดตามรู้ไปถ้ามันคิดมากท้าทายเลยว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งดูนอนดูแกอยู่เนี่ยเอากันอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าภาวนาแบบนักสู้ ทีนี่ผู้ที่ภาวนาแล้วมีแต่สะกดจิตให้มันหยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งอันนั้นเอาตลบไม่มีการต่อสู้แล้วถึงแม้ภาวนาแล้วได้สมาธิลึกลงไปก็แก้ปัญหาจิตไม่ได้เพราะมันไม่ได้ใช้สติปัญญาเหมือนเหมือนกันนักรบที่ออกสู่สนามรบมีตลบท่าเดียวไม่มีการต่อสู้ประเดี๋ยวเขาก็ญาตราทับมาเหยียบคอเพราะฉะนั้นการภาวนาเวลาใดที่จิตนิ่งปล่อยให้นิ่งไป เวลาคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติจ้องตามรู้อย่างเดียว